02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th สถานพยาบาลการแพทย์ผ่านไทยประยุคศูนย์รังสิทธิ์โดยวิทยาลายการแพทย์ผ่านไทยมหาวิทยาลายเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยสาทย์การแพทย์ผ่านไทยหัดทับบำบัตรนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผลคลาย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 สอบทําเพิ่มเติมที่02 549 3653ต่อจากนี้ไปขอเฉินท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Food Delivery ผู้เดิมือนรายการนัธรัฐแผกุญและนัธรัพลดีปุดคุ้บคุมการผลิตโดยผู้ช่วยสัตวราจารย์ด็อเตอร์กุญกณิจ ท, ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทันยะบอรี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 คืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับพร้อมกับอาจารย์นัชรัตน์แพรกุลนะครับอาจารย์จากสาขาวาฬและพัฒนาการคณะเทคโนโลยีข้ารศาชการมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิคราเฮิรต์นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิททองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับคุณฟังครับกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะฮะเกี่ยวกับอาหาร ผู้ชนะการนะครับกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารนี่แหละนะฮะเราจะนำมาแช่นำมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะฮะในรายการฟู้ดเดลิเวอรี่แห่งนี้นะครับเช่นเคยอย่างทุกสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังผมและอาจารย์นัชรัตน์แพคุลจะไปคัดสรรเนื้อหาต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอย่างสัปดาห์นี้นะฮะในตอนต้นของรายการนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของวิธีลดความอ้วนแบบผิดๆนะครับไม่ว่าจะลดยังไงเราก็จะไม่ผอมนะครับคุณผู้ฟังครับใช่คุณหรือเปล่าที่กำลังพยายามลด น้ำหนักครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลวนะครับและผ่านไปไม่นานคุณก็กลับมาอ้วนอีกนะครับแถมยังอ้วนกว่าตอนแรกด้วยซ้ำที่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นก็ก็เพราะว่าเราใช้วิธีการที่ผิดครับคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่รู้สึกแย่ไปหรอกนะครับที่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราใช้วิธีการที่ผิดครับคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ไปหรอกนะครับเพราะว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มีชะตากรรมแบบเรานะครับและนี่คือห้าวิธีที่ไม่ควรทำ ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังว่าถ้าเราอยากลดน้ำหนักแบบไม่มีผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนั่นก็คือการงดมื้อเย็นครับหนึ่งในวิธีลดน้ำหนักอย่างสิ้นคิดครับคุณผู้ฟังซึ่งก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามื้อเย็นไม่ใช่สาเหตุของความอ้วนครับแต่ความอ้วนมาจากการกินที่มากกว่าเกินที่ร่างกายจะเผาผลาญได้ใน ทั้งหมดต่างหากนะครับซึ่งการอดอาหารเป็นเวลานานต่อเนื่องหลายวันก็อาจจะทำให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยพังและเมื่อกลับมาทานอาหารตามปกติน้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับดังนั้นที่ถูกต้องนั่นก็คือควรรับประทานอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกายและเลือกอาหารที่มีประโยชน์ครับคุณนุ่ฟังอย่างที่สองเลิกกินแป้งครับการไม่รับประทานแป้งเพราะต้องการลดน้ำหนักนั้นเป็นอีกวิธีที่ผิดอย่างมาหันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตคือแหล่งพลังงานที่ร่างกายของเรานำมา สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานอนเลยทีเดียวนะครับหากร่างกายของเราขาดฮาโบไฮเดตในระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนเมื่อยลา้าร่างกายอ่อนแอนะครับดังนั้นการงดแป้งจึงไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักที่ดีนะครับคุณฟังแต่จะแนะนำให้เปลี่ยนมาทานแป้งประเภทไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องธัญพืชหรือว่าถั่วชนิดต่างๆจะดีกว่านะครับและอย่างที่สามนั่นก็คือสูตรเร่งด่วนลดความอ้วนภายในสามถึงเจ็ดวันนะครับเรียกกันไว้ว่า แชร์กันว่าเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตสำหรับสูตรตารางอาหารลดความอ้วนแบบเร่งรัดซึ่งการรับประทานอาหารตามตารางแบบฮาร์ดคอ้นี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการอดนะครับเพราะมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับ ซึ่งหากทานครบตามกำหนดแล้วนะครับน้ำหนักอาจจะลดลงก็จริงแต่มันคือน้ำในร่างกายและหมวลกล้ามเนื้อที่หายไปไม่ใช่ไขมันที่อยากกำจัดมันทิ้งนะครับแน่นอนว่าเมื่อเราสุกับเข้าสู่การกินตามปกติแล้วร่างกายก็จะเข้าสู่หมดตัวบวมอีกครั้งหนึ่งนะครับและข้อที่สี่นะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อกันลดน้ำหนักนะครับมาแรงที่สุดในยุคนี้ครับคุณผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มาพร้อมกับคำบรรยายสุดมหัศจรรย์ น, นะครับว่ากินแล้วผอม กินและหุ่นดีบ้างนะครับมีสปปรรพคุณในการดักจับไขมันบ้างนะครับแถมยังกินอาหารอะไรก็ได้ที่อยากกินนะครับโดยสามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากผอมแต่ขี้เกียจได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราต่างรู้กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังว่ายาลดน้ำหนักหรือว่ายาลดผมอ้วนนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตขนาดไหนนะครับหากกินแล้วผอมถาวรจริงๆยาเหล่านี้คงไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งหลายๆโรงงานก็คงปิดตัวเจ๊งกันไปหมดแล้วครับคุณผู้ฟัง แต่ในเมื่อยังมีคนบริโภคยาเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณถึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงเวียนของโยโย่เอฟเฟกต์อ้วนผอมอ้วนผอมผอมอ้วนอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยของเรื่องของการลดน้ำหนักจริงๆนะครับและข้อที่ห้าชุดกระชับสัดส่วนหรือว่าสเตนนะครับการใส่สเตนรัดหน้าท้องอาจทำให้รูปร่างของคุณเนี่ยดูดีตอนใส่อยู่ก็จริงครับคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะประสบปัญหาลงพุงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่ได้ถูกใช้ สุดท้ายแล้วก็จะเกิดอาการกล้ามเนื้อรีบนะครับกินอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็ลงพุงบอกได้เลยนะครับว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของคนเรานี้คือสเตย์ธรรมชาตินะครับถ้าไม่อยากลงพุงก็ต้องบริหารกล้ามหน้าท้องนะครับไม่ใช่หาอะไรมารัดไว้จนกล้ามหน้าท้องเป็นเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ คุณฟังครับเชื่อเถิดครับว่าไม่มีเป้าหมายไหนที่จะสำเร็จได้โดยไม่ต้องพยายามหรอกครับหากคุณอยากหุนดีก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อความฟิตแอนด์เฟิร์มและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับคุณฟังครับคุณฟังครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในตอนต้นของรายการนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวมีเรื่องราวของลูก หลายคนที่รู้สึกว่าลูกตัวเองเนี่ยเลือกกินเป็นเด็กที่กินยากนะครับเรามีวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ของลูกๆเราอย่างไรนะครับติดตามฟังได้ในช่วงหน้ากับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี ん <Man>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 กลับมากับช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวมีเรื่องราวของเด็กนะฮะหรือว่าลูกในบ้านเราเด็กในบ้านเราที่รู้สึกว่ามีปัญหาเลือกกินเป็นเด็กกินยากนะครับเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรให้อยู่หมัด น, นะครับคุณฟังครับหนึ่งในปัญหาการกินของลูกๆนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนประสบอยู่ก็คือลูกเลือกกินอาหารลูกเป็นเด็กที่กินยากนะครับโดยเฉพาะเด็กอายุหนึ่งถึงห้าปีการยอมให้ลูกกินแต่อาหารที่ตัวเองชอบหากปล่อยไปนานๆนะครับไม่รีบแก้ไขก็อาจก่อ ให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้อย่างเช่นลูกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าลูกน้ำหนักเกินเกณฑ์นะครับพัฒ น, นาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัยหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนเจอกับปัญหานี้วันนี้ผมมีวิธีรับมือเก็บปัญหานี้มาฝากนะครับต้องบอกว่าทำไมลูกเราถึงกินยากครับคุณผู้ฟังปัญหาเด็กกินยากหรือเด็กเลือกกินมักเริ่มในอายุสองถึงสามปีนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจนะครับให้ได้ว่า ที่ลูกเลือกกินนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับด้วยส่วนใหญ่มักเกิดจากปัญหาเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังหนึ่งก็คืออาหารรสชาติไม่ถูกปากนะครับโดวยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้นะครับว่าการที่เด็กชอบกินอาหารรสหวานเป็นเพราะสัญชาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตนะครับร่างกายจึงต้องการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานหรือแคลอรี่สูงแถมเด็กบางคนยังมียีนที่ทำให้วัยต่อรสขมนะครับจึงไม่แปลกที่เด็กจะเลือกกิน หรือเลือกรับประทานอาหารยากเป็นพิเศษนะครับอย่างที่สองลูกอาจจะไม่หิวก็ได้นะครับพออายุครบสองปีการเจริญเติบโตของเด็กจะค่อนข้างช้าลงครับคุณผู้ฟังพวกเขาจึงกินได้น้อยกว่าแต่ก่อนหรือบางวันอาจไม่อยากอาหารเลยก็ได้นะครับแต่บางครั้งลูกของคุณอาจจะกินขนมและเครื่องดื่มเยอะจนอิ่มเกินไปเลยไม่อยากรับประทานอาหารมื้อหลักก็เป็นได้นะครับอย่างที่สามลูกของคุณกำลังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับ บางครั้งนะครับการที่ลูกของคุณเลือกกินหรือกินยากก็อาจมาจากการปัญหาสุขภาพนะครับหากลูกมีการกระวนกระวายหรืององแงตลอดเมื่อถึงเวลาการกินอาหารอาจเป็นเพราะเด็กมีภูมิแพ้อาหารนะครับหรือมีความผิดปกติของระบบประมวลทางประสาทสัมผัสนะครับเกิดจากสมองเนี่ยไม่สามารถประมวลข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เด็กที่เป็นโรคนี้จึงมักไวต่อรส กินและเนื้อสัมผัสของอาหารบางชนิดเป็นพิเศษนะครับเด็กที่เป็นโรคนี้จึงมักไวต่อรสกินหรือเนื้อสัมผัสของอาหารบางชนิดเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังและเราจะดูได้อย่างไรนะครับว่าลูกของเราเนี่ยเลือกกินหรือไม่หรือเราจะสังเกต อาการเหล่านี้ของลูกเราได้อย่างไรนะครับเด็กที่มีปัญหากินยากหรือเลือกกินจะมีพฤติกรรมเหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปนะครับคุณฟังข้อแรกก็คือหนึ่งลูกอาจไม่ยอมกินอาหารที่มีสีรูปรสหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างเช่นอาหารที่มีสีแดงหรือจะเป็นอาหารที่แฉะลูกอาจจะไม่เลือกรับประทานนะครับอย่างที่สอง ลูกอาจจะกินแต่อาหารที่ตัวเองชอบไม่ยอมกินอาหารชนิดอื่นเลยนะครับอย่างที่สามบางครั้งอาหารที่อยู่บนโต๊ะอาหารลูกกับสนใจทำอย่างอื่นมากกว่ากินอาหารและที่สำคัญลูกไม่ยอมลองกินอาหารใหม่ๆเลยนะครับลองสังเกตลูกของเราดูหรือว่าเด็กเล็กในบ้านของเราดูว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีอาจจะเข้าข่ายในการเลือกกินหรือเปล่า โดยถ้าลูกของเราเลือกกินหรือว่าไม่ค่อยรับประธานอาหารเราจะมีวิธีรับมื อ, อยัางไงนะครับอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังลดเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงครับบางครั้งการให้ลูกดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงอย่างเช่นน้ำผลไม้น้ำอัดลมนมมากเกินไปก็อาจทำให้เด็กเนี่ยอิ่มจัดจนไม่อยากกินอาหารมื้อหลักนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่จึงควรจำกัดปริมาณเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงต่อวันของลูกโดยให้ลูกดื่มน้ำผลไม้ได้ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิลิตรนมไม่เกินวันละ เจ็ดร้อยมิลิลิตรนะครับส่วนน้ำอัดลมไม่ให้ควรไม่ควรให้ลูกกินเลยทีเดียวจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแคอรอทีและน้ำตาลสูงแถมยังมีคาเฟอีนและสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอีกมากมายเลยสำหรับน้ำอัดลมนะครับอย่างที่สองครับกำจัดสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจด้วยเด็กๆในบ้านของเรามักจะห่วงเล่นมากกว่าการห่วงกินนะครับฉะนั้น เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารหรือว่าเวลากินข้าวนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรปิดทีวีไม่ให้ลูกเล่นมือถือนะครับเพื่อให้ลูกได้โฟกัสกับการกินอาหารรวมถึงต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยเช่น อ, <shot S 1> อย่ายให้บริเวณโต๊ะอาหารมืดเกินไปนะครับอย่างที่สามครับกำหนดเวลาทานอาหารให้แน่นอนนะครับในเมื่อคุณพ่อคุณแม่ห้ามไม่ให้ลูกกินขนมไม่ได้นะครับก็ควรฝึกให้ลูกกินอาหารเป็นเวลาโดยเฉพาะการกำหนดเวลาของมื้ออาหารหลักและอาหารว่างให้แน่ชัดนะครับและไม่ควรให้ลูกกินอาหารอะไรระหว่างมื้อนะครับหาก ถึงเวลารับประทานอาหารแล้วลูกไม่ยอมกินนะครับก็ควรให้เขามานั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้คือเวลาที่ควรกินอาหารนั่นเองครับคุณผู้ฟังและข้อต่อไปไม่ให้ลูกกินอาหารจานสะดวกครับบางครั้งเมื่อลูกไม่ยอมกินอาหารที่เตรียมไว้ให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ลูกกินขนมหรืออาหารง่ายๆอย่างเช่นขนมปังลูกชิ้นทอดขนมขบเคี้ยวเพราะไม่อยากให้ลูกต้องทนหิวนะครับแถมเด็กส่วนใหญ่ยังชอบกินอาหารแบบนี้เสียด้วยครับคุณผู้ฟังแต่หากยอมตามใจแบบนี้ตลอดลูกของ คุณอาจจะติดเป็นนิสัยได้นะครับไม่นานปัญหาสุขภาพทั้งฟันผุโรคอ้วนต้องตามมาแน่นอนนะครับฉะนั้นหากลูกไม่ยอมกะอากินอาหารนะครับก็ควรให้เขารอจนกว่าจะถึงมื้ออาหารต่อไปหรือถ้าลูกหิวจนรอไม่ไหวก็ให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นผลไม้นมรองท้องไปก่อนนะครับข้อต่อไปนะครับลูกเลือกกินอย่าเพิ่งท้อครับคุณผู้ฟังเพราะอาจต้องลองถึงสิบเอ็ดครั้งนะครับการที่เด็กไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆง่ายๆถือเป็นเรื่องราวธรรมชาติครับคุณผู้ฟังสำหรับอาหารเอง กเชนกนมีผลการศึกษาระบุนะครับว่าบางครั้งเด็กๆอาจต้องลองการกินอาหารชนิดเดิมถึงสิบเอ็ดครั้งจึงจะรู้ว่าตัวเองชอบกินอาหารชนิดนั้นหรือไม่นะครับฉะนั้นหากลูกไม่ยอมกินอาหารที่เตรียมไว้ให้ก็อย่าเพิ่งวังคาบครับลองให้เขาได้หยิบได้จับหรือเล่นกับอาหารนั้นๆเพื่อความคุ้นเคยกับเนื้อสัมผัสก่อนแล้วค่อยๆให้ลูกได้ลองชิมก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยหันมารับประทานอาหารเหล่านั้นได้นะครับข้อต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องให้ลูกกินอาหารจนเกลี้ยงจานนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ฟังว่ากระเพ ของเด็กย่อมเล็กกว่าผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นแทนที่จะบังคับให้ลูกกินอาหารจนเกี้ยงจานก็ลองเปลี่ยนมาใช้กฎคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือการกำหนดคำของอาหารแต่ละชนิดตามอายุของเด็กอย่างเช่นหากลูกของคุณอายุสามขวบอาหารมื้อนี้คือเข้าวผัดไก่ต้มและผักต้มก็ให้ลูกเขา เเข้าวผัดไก่ต้มและผักต้มอย่างละสามคำนะครับข้อต่อไปครับคุณผู้ฟังให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารนะครับลองให้ลูกของคุณได้มีส่วนช่วยในการทำอาหารในแต่ละมือ้อตั้งแต่การคิดเมนูการเลือกซื้อวัตถุดิบ ให้ลูกได้เลือกผักผลไม้หรือวัตถูดิบอื่นๆที่เขาอยากกิ น, นะครบโดยมีคุณเขาคุณแม่คอยแ KK น auc ร่างการน자는วัตถูดิบอ freely split เมื่อถึงเวลาทำอาหารก็ให้ลูกเนยได้เข้าช่วยงานครัวที่เหมาะสมกับช่วงไหวของเขาอย่างเช่นร้างผักร้างผลไม้นะฮะตักต Using pulse ถูดิบบ rund สิ่งนางเป็น until next exp ที่เช่งเป็นสองของเขาถูดิ ส่วนผสมต่างๆหรืออาจจะเป็นการจัดโต๊ะอาหารนะครับซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เด็กภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและรู้สึกอยากกินอาหารฝีมือของตัวเองนะครับหากลูกมีปัญหาในการเคี้ยวอาหารกลืนอาหารหรือแสดงอาการวิตกกังวลรุนแรงเมื่อต้องลองกินอาหารใหม่ๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่านิ่งนอนใจควรปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะครั บ, ค, รบคุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวของการจัดการกับลูกน้อยของคุณหรือว่าเด็กๆในบ้านของคุณหากเขามีอาการที่ไม่อยากรับประทานอาหารนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับต่างๆมาฝากนะฮะ ลองเอาไปใช้กับเด็กหรือว่าคุณลูกที่บ้านของเราดูนะครับอาจจะได้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลบ้างก็ลองลองลอ ง, ลองทำดูนะครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังหลายหลายคนนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของเมนูนักคิดครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 ในอิงลิสโซนพร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาที่ชั้น、3. สามสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบอรุรีจังหวัดปฐุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สองห้าสี่เก้าสามหกห้าสามฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเมนูนักคิด กลับมากับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังกับช่วงเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดมีเรื่องราวจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในการเปิดผลงานมังคุดโยเกิร์ตอบกรอบครั้งแรกนะครับกับผลงานวิจัยในการแปลงมังคุดไทยสู่ฟังชั่นเน้าฟู้ดนะครับอุดมด้วยคุณค่าแถมรับ เทนสุขภาพของโลกด้วยนะครับโดวยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการนะครับได้โชว์ผลงานมังคุดโยเกิร์ตอบกรอบสูตรชินไบายโอติกนะครับไม่เติมน้ำตาลขนมทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพนะครับที่ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดที่ต้องการผลิตขนมที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพหรือคนที่รับประทานมังสวิรัติด้วยการนำเนื้อมังคุดฟิตได้คุณภาพดีที่มีชิ้นขนาดเล็กนะครับ ไม่สามารถนำไปจำหน่ายเป็นเนื้อมังคุดฟิตได้เกรดฟิวเมียมได้นะครับรวมถึงโยเกิร์ตถั่วเหลืองมาพัฒนาสูตรผ่านกระบวนการการผลิตแปรรูปที่ช่วยเพิ่มมูลค่าพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่นที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์เชิงฟังชั่นนะครับรับประทานได้หลายรูปแบบนะครับอีกทั้งยังง่ายต่อการพกพาและเก็บรักษาได้เป็นเวลานานครับคุณผู้ฟังเป็นการสร้างความแตกต่าง ให้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับแถมสอดคล้องไปกับเทรนด์โลกปัจจุบันนะครับที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นนะครับทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจดอนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผลผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต่อไปแล้วนะครับโดวยสำหรับผู้ที่สนใจในวัตกรรมอาหารดังกล่าวก็สามารถติดต่อสอบถามขอรับคำปรึกษาได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการจัดการนะครับหมายเลขโทรศัพท์0990515130นะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศ า, ศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ ร, รังสิตนะครับหมายเลขโทรศัพท02์0256440 4440นะครับต่อ2002นะครับโดยในายพันธ์การบางขุนเทียนครับคุณผู้ฟังนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อตสาหการและการจัดการนะครับเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุดโยเกิร์ตอบกรอบสูตร ชินไบโอติกนะครับมาจากแนวคิดที่ต้องการนำเนื้อมังคุดฟิตได้ที่มีชิ้นขนาดเล็กนะครับไม่สามารถนำไปจำหน่ายเป็นเนื้อมังคุดฟิตได้เกรดพรีเมียมได้นะครับซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำธุรกิจของครอบครัวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า จากการสังเกตและสัมมลวดตลาดในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคมักประสบปัญหาเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารทานเล่นหรืออาหารทานว่างนะครับมีความต้องการจำกัดการบริโภคน้ำตาลลดหวานมันเค็มนะครับด้วยขนมขบเคี้ยวที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่มีคาร์โบไฮเดทเป็นองค์ประกอบหลักและมีสารอาหารที่ไม่หลากหลายนะครับด้วยเหตุนี้จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพและจากการศึกษาค้นพบนะครับว่าผู้บริโภควัยรุ่นวัยทำงานในปัจจุบันนะครับ หากให้นึกถึงอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผู้พูดพวกกลุ่มนี้มักจะนึกถึงโยเกิร์ตหรือขนมที่ทำจากผลไม้เป็นลำดับต้นๆ น, นะครับจึงได้แนวคิดที่จะนำเนื้อมังคุดฟรีดได้โยเกิร์ตมาเป็นส่วนผสมนะครับจึงได้แนวคิดที่จะนำเนื้อมังคุดฟรีดได้โยเกิร์ตมาเป็นส่วนผสมหลัก และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าเชิงพันธุ์ชาติที่ดีต่อร่างกายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วยนะครับสำหรับโยเกิร์ตมังคุดอบกรอบสูตรชินไบโอติกเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าจากสารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระโปรไบโอติกนะครับก็คือจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตและพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะครับ เป็นที่มาของสูตรชินไบโอติกนะครับที่สามารถช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้นนะครับโดยทั่วไปโยเกิร์ตจะผลิตจากนมวัวนะครับทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มที่แพ้นมวัวไม่สามารถรับประทานได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จึงเลือกใช้โยเกิร์ตที่ผลิตจากนมถั่วเหลืองแทนนะครับทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวเนี่ยสามารถเลือกรับประทานรวมถึงผู้ที่รับประทานมังสวิรัติเนี่ยก็สามารถรับประทานได้นะครับประสานด้วยคุณค่าของเนื้อมังคุดและเนื้อในเปลือกมังคุดพริสต์ได้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและสาร ต้านอนุมูลสละที่มีประโยชน์ต่อร่างไกายนะครับนอกจากนี้การพัฒนาสูตรยังมีส่วนผสมของพีไบโอติกและใ ย, ยอาหารไม่เติมน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทขนมทั้งที่มีสารอาหารและคุณค่าเชิงฟังชั่นนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมีเนื้อสัมผัสกรอบเบานะฮะมีรสชาต หวานอมเปรี้ยวที่ได้จากธรรมชาติจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและเนื้อมังคุดนะครับอีกทั้งยังมีสีม่วงอ่อนจากเนื้อในเปลือกมังคุดชวนหน่ารับประทานนะครับรูปแบบในการรับประทานก็หลากหลายอย่างเช่นรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวนำไปตกแต่งกับอาหารขนมหวานอื่นๆหรือบดให้ละเอียดแล้วชงละลายในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำมังคุดโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับ ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับผลงานมังคุดโยเกิร์ตอบกรอบสูตรชินไบโอติกนี้นะครับเป็นผลงานวิจัยร่วมกับนางสาวเบญจวรรณกุลทรัพย์สถิตนักศึกษาร่วมสาขาวิชานะครับโดยมีดกเตรกิติยาเขื่อนเพชรนะรอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับด้วยปัจจุบัานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจดอนุสิบ ที่บัดพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไปแล้วนะครับด้วยผลงานมังคุดอบกรอบสูตรชินไบโอติกนะครับนอกจากจะเป็นการนำมังคุดฟิตได้คุณภาพดีที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายเป็นเกรดพรีเมียมได้มาต่อ ย, ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารนวัตกรรมเพื่อสุขภาพแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปลรูปอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปลรูปของไทยเป็นสินค้าที่สามารถทำไรายได้เข้าประเทศปีและหลายพันล้านบาทและยังเป็นที่นิยมบริโภกกันไปทั่วทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะมังคุดถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีชื่อเสียงและได้รับความชื่นชอบจนได้รับฉา ย, ยาว่าราชนีแห่งผลไม้นะครับดังนั้นเชื่อนะครับคุณผู้ฟังว่าผลงานดังกล่าวจะช่วยตอบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะครับตลอดจนผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้บริโภคกลุ่มมังสวิรัติได้เป็นอย่างดีนะครับและในขณะที่นวัตกรรมดังกล่าวยังสามารถต่อยอดไปสู่การแปรรูปโดวยใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับคุณฟังท่านไหนสนใจนวัตกรรมอาหารดังกล่าวก็สามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สาขาวิวชาวิวยาทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการหมายเลขโทรศรัพท์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามศูนย์นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่ม เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับศูนย์สองห้าหกสี่สี่สี่สี่ศูนย์ต่อสองศูนย์สองสองนะครับหรือว่าจะสนใจก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ www dot fci.tu.ac.th ครับคุณผังครับนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมอาหารนะครับที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผู้บริโภคที่รักสุขภาพผู้บริโภคที่รับประทานมังสวิรัติสาาก็สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ได้นะครับกับผลิตภัณฑ์มังคุดโยเกิร์ตอบกรอบสูตรชินไบโอติกที่คณะวิทยาศาสตร์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 めいた、oh, んみてまたんじゃかっさいたいんじゃかんゆう。ちぇっぽうすんまんてたんじゃかん。おいぱかたかんむんこんまい。たんたいせで。 「は や, はやんめいこいテンカイやんがこんめいかいらかん」 バイバイヘイクライクライクンスープ フォーデリバリーチューン・キウイ・カンクー สวัสดีครับคุณฟังอยู่กับผมนัชารัตน์แพรกุลในช่วงคุยข้างขวดนะครับคุณฟังครับคุณฟังอาจเคยได้ยินข่าวในช่วงปี 2,557 นะฮะว่ามีการระบาดของเชื้ออีโบล่านะฮะในหลายประเทศโดยเฉพาะในเขตทวีปแอฟริกานะฮะรวมทั้งมีผู้ป่วยนะฮะที่เดินทางไปกับเครื่องบินจากไลบีเรียแล้วไปเสียชีวิตที่ประเทศในเจริญนะฮะ จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะทำให้หลายๆคนในทั่วโลกเริ่มตื่นกลัวกันนะฮะและมีการเฝ้าระวังโรคนี้อย่างมากนะฮะเพราะ เกรงว่าหากมีผู้ป่วยที่นั่งเครื่องบินโดยสารข้ามประเทศอาจนำเชื้อมาอย่างประเทศนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและในปีล่าสุดนะฮะ 2,562 นะฮะองค์การอนามัยโลกนะฮะได้ประกาศให้วิกฤตการณ์โรคอีโบลานะฮะซึ่งแพร่กระจายแพร่ระบาดในสาธารณรัฐของโกลนะฮะจัดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นการแจ้งระลับเตือนภัยสูงสุดนะฮะที่ WHO นะสามารถทำได้นะฮะภายหลังจากที่เชื้ออีโบลานั้นได้ฆ่าชีวิตมนุษย์นะฮะในประเทศคองโกไปกว่าหนึ่งพันหกร้อยชีวิตแล้วนะฮะและล่าสุดนะฮะพบว่าเชื้อได้เริ่มแพรก่กระจายจากสู่เมืองคองโกนะฮะเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคองโกนะมาที่เมือง โกมานะฮะซึ่งวันนี้เองนะผมนั้นจะนำข้อมูลจากเชื้อโรคหรือที่เรียกว่าไวยรัสนะฮะอีโบลามาฝากทุกท่านเพื่อฟังกันน ะ, ฮะว่าให้ท่านนั้นทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือโรคอย่างถูกต้องหากเดินทางไป ประเทศในกลุ่มของทวีปแอฟริกานะเชื้อโรคอีโบล่านะเป็นกลุ่มของโรคไข้เลือดออกชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่าซาอีอีไบาลาไวรัสนะฮะซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคเป็นครั้งแรกนะฮะคือใกล้กับกลุ่มแม่น้ำอีโบล่าในประเทศซาอีนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณ ของโกะนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะจนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถระบุแหล่งต้นต่อที่เป็นหลังของเชื้อโรคหรือของไวรัสอย่างชัดเจนนะครับซึ่งรูปร่างของเชื้อไวรัสอีโบลานะฮะมีลักษณะเป็นเส้นได้ นะฮะเป็นกลุ่มของฟิโลไวรัสนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80นาโนเมตรนะฮะยาวได้ถึง 1,400 นาโนเมตรนั่นเองนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็นห้าสายพันธุ์หลักๆแต่สายพันธุ์ที่ร้ายแรงนั้นมีอยู่สามสายพันธุ์คือสายพันธุ์ของซูดานสายพันธุ์ไซอีและก็สายพันธุ์บันดีบูกิเอนะฮะซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักๆ ที่จะทำให้มนุษย์นั้นเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับการระบาดของเชื้อไวยรัสอีโบล่านะฮะหรือโรคไข้เลือดออกอีโบล่านะฮะมีลักษณะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านการรับ หรือสัมผัสของเหลวจากร่างกายผู้ติดเชื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ำลายน้ำมูกเหงื่อสารคัดหลั่งต่างๆนะฮะตลอดจนนะเชื้ออะสุจิรวมถึงการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเช่นการจับราวประตูราวบันไดายการจับลูกบิดประตูนะฮะปุ่มลิฟต์ตลอดจนการสัมผัสจากสัตว์ที่มีเชื้อไวรัส ด, ดังกล่าวนะโดยเชื่อว่านะค้างคาวผลไม้นะฮะซึ่งเป็น สัตว์ที่ชาวแอฟริกานิยมจับมาทำอาหารนะก็สามารถเป็นพาหะในการแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะเมื่อมีข่าวการระบาดของโรคอีโบลานะฮะยังมีการเฝ้าระวังผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกับผู้ที่ มีการติดเชื้อเช่นกันนะฮะแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสติดเชื้อต่ำเนื่องจากเชื้ออีโบล่านั้นไม่ติดต่อกันทางอากาศที่หายใจร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งอาการของโรคที่ติดจากเชื้ออีโบล่านะฮะมีระยะการฟักตัวอยู่ประมาณ21วันนะฮะโดยอาการสามารถแสดงได้ตั้งแต่วันแรกนะฮะเริ่มจากมี ไข้สูงเฉียบพลันนะฮะเริ่มจากการมีไข้อ่อนๆแล้วก็ทำให้ไข้สูงมากขึ้นนะฮะเริ่มมี ภาวะปวดศีรษะนะฮะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวเจ็บคอตามมาด้วยอาการท้องเสียมีอาการอาเจียนมีผื่นนูนนะฮะมีเลือดออกตามเยื่อบุของร่างกายเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุในช่องคลอดนะฮะเยื่อบุปากนะฮะรวมทั้งเลือดออกที่อวัยวะภายในนะฮะมีอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางนะฮะการทำงานของตับและไตล้มเหลวเกิดภาวะช็อก ผู้ที่ติดเชื้อนะฮะมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นถึง ห้าสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะฮะทั้งนี้อาการในระยะแรกๆนะฮะของโรคนะฮะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการป่วยด้วยโรคชีดอื่นๆเช่นไข้ามาเลรียรีอะท้องร่วงไข้หวัดนะฮะไข้เลือดออกจากไวรัสอื่นๆทำให้ระบุโรคได้ช้านั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะฮะยังคงไม่มีวัคซีนป้องกันนะฮะและยารักษาเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะ ทำได้เพียงรักษาไปตามอาการด้วยการให้น้ำและเกลือแร่ทดแทนนะฮะรวมทั้งให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่วงแรกๆนะฮะเพื่อป้องกันการเลือดจับกันเป็นลิ่มในหลอดเลือดนะฮะจากนั้นนะฮะจึงให้ยาช่วยการแข็งตัวของหลอดเลือดในระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการของไข้เลือดออกนั่นเองนะฮะ ส่วนเชื้ออีโบล่าในประเทศไทยนะตามพระบอรโรคติดตอบ่อพุทธศักราช2558นะฮะ กระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้ประกาศและกำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบระนะฮะเป็นโรคติดต่ออันตรายที่จะต้องเฝ้าระวังและดำเนินการอย่างเข้มงวดนะฮะซึ่งกลุ่มควบคุมโรคนะฮะได้ติดตามสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสอีโบระในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะฮะนับตั้งแต่มีการรายงานผู้ป่วยในช่วงเดือนสิงหาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะ และได้เตรียมพร้อมทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยนะไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคเชื้อไวรัสอิบูราแต่อย่างใดนะฮะถึงแม้ว่าประเทศไทยนะะั้นนะจะไม่มีการเสี่ยงที่จะพบเชื้อนะฮะแต่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้เฝ้าระวังและป้องกันโรคด้วยมาตรการหลักๆซึ่งดำเนินการมาอย่างเข้ม แ, ะะและต่อเนื่องดังนี้ก็คือหนึ่งนะฮะติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าจากองค์การอนามัยโลกนะฮะเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดของโรคนะทั้งในด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนและในชุมชนน ะ, ะคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคทั้ง ที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินแล้วก็ด่านทางน้ำทานพรมแดนทางบกเช่นเดียวกันนะฮะสองนะฮะเตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อทางด้านห้องปฏิบัติการซึ่งประเทศไทยเองนะฮะได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาในการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสชนิดนี้ ด้วยเช่นกันนะฮะสามนะฮะมาตรการการดูแลรักษานะหากมีผู้ป่วยที่มีอาการในไข่สงสัยนะฮะโดยใช่วาตถานเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีอันตรายเช่นไข้หวัดนกโรคักษา ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศมีความพร้อมอยู่แล้วนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะฮะการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในระดับพื้นที่ทางกลมพุ่มควบคุมโรคเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตลอดจนสื่อสารไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขนะฮะกรณีพบความผิดปกติเช่น พ óc เห็นผู้ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคแล้วมีอาการไม่สบายเป็นไรให้รีบแจ้งที่ Becca รักส์ตาใน hail дов ค patriots หาคุ้มครุบโรคนะหรือซ้ายด่วนลมคมรคะะุบครุบโลค1422สำหรับประชาชนถั่วไปนะะห่างจะเดินทางยังประเทศที่มีการระบาดของโรค ไวรัสอิบัวร่านะฮะควรปฏิบัติคำแนะนำดังนี้นะครับหนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วยนะฮะสองนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิงหรือขังข่าวหรือเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าแปลกๆมาประกอบอาหารนะฮะสามนะฮะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นเลือดจากผู้ป่วย สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือศพนะครับข้อสี่นะฮะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงหากมีความจะเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและล้างมือบ่อยๆนะฮะและข้อห้านะครับ หากมีอาการเริ่มป่วยเช่นมีไข้สูงอ่อนเพรียวปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนท้องเสียภายหลังจากกลับประเทศที่มีการระบาดนะให้รีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากกรมควบคุมโรคและสำนักระบาดวิทยาตนะครับเราพักเบรกกันสักครู่นะแล้วกลับมาชนิดช่วงสุดท้ายช่วงเปิดมอสครับ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 ฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงกุยข้างครัว สวัสดีครับกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงเปิดหม้อ น, นะฮะวันนี้นะฮะเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบในการรับประทานแกงส้มหรือแกงเหลืองนะฮะซึ่งถ้าเป็นแกงส้มหรือแกงเหลืองธรรมดาวก็มักจะใส่ผักใส่กุ้งหรือใส่ปลาลงไปนะฮะแล้วก็ปรุงรสชาติให้ออกเปรี้ยวเค็มหวานตามสไตล์แต่และคนที่ชื่นชอบแตกต่างกันไปนะฮะแต่สำหรับวันนี้นะฮะผมมีแกงส้มไขป่ปลารีวิวมาฝาก คุณฝังนะฮะซึ่งทำได้ง่ายมากนะแต่การทำไข่ปลานั้นให้อร่อยค่อนข้างที่จะยากสักเล็กน้อยนะฮะส่วนผสมและเครื่องปรุงก็มีดังนี้นะฮะส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะฮะก็จะมีขมิน้นหอมแดงกระชายพริกสดพริกแห้งเนื้อปลาต้มโขกน ะ, ะเนื้อปลานี้อาจจะใช้เป็นเนื้อปลา สำลีเหลือเนื้อปลาหนิ่นนะฮะแต่ถ้ามีกุ้งก็สามารถใช้เนื้อกุ้งแทนก็ได้นะครับโขลกให้ละเอียดเข้ากันน ะ, ะผักไว้น ะ, ะจากนั้นนะฮะก็มีส่วนผสมของเครื่องแกงนะฮะก็จะมีไข่ปลาเรียวเกียวหัวเชื้อเท้าโถั่วฝักยาวดอกแคร์กระปีน้ำขมเปียกน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็น้ำปลานะฮะ ส่วนวิธีการทำนะฮะหลังจากที่โคลงน้ำพริกให้ละเอียดแล้วนะฮะเราพักไว้นะฮะจากนั้นนะฮะนำไข่ปลาเรียวคิวนะฮะแกะออกจากถุงนะฮะลักษณะของไข่ปลาเรียวคิวเราซื้อมาเนี่ยจะมีถุงเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งแกะออกให้เหลือแต่เม็ดๆนะฮะจากนั้นนำไปลวกในน้ำเดือดประมาณสามนาทีแล้วตัก ออกใส่น้ำเย็นแทนทีวิธีการนี้นะฮะจะทำให้ไข่นั้นไม่สุกจนเกินไปหรือไม่แข็งจนเกินไปนะฮะสามารถที่รับประทานแล้วจะมีความนุ่มความกรอบความมันอยู่นะฮะจากนั้นนะฮะนำน้ำซุปขึ้นตั้งไฟต่อด้วยละลายด้วยแกงใส่ผักนะฮะที่เป็นผักที่สุกยา ก, ก่อนว่าจะเป็นหัวชีเท้านะฮะหรือมะละกอลงไปแล้วตามด้วยผักอื่น จากนั้นนะครับใส่กะปิลงไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บเกลือ แล้วก็น้ำปลานะฮะชิมรสชาติให้รสชาติเปรี้ยวเค็มและก็หวานตามจากนั้นหลังจากที่ได้รสที่ชื่นชอบแล้วนะฮะปิดไฟแล้วใส่ไข่ปลาเรียวกิวลงไปน ะ, ะอย่าเพิ่งใส่ลงไปก่อนนะฮะถ้าใส่ลงไปก่อนเนี่ยความร้อนมันมีมากจะทำให้ไข่นั้นสุกแข็งจนเกินไปนะครับและไม่แนะนำนะฮะให้ใส่ไข่ปลาเรียวกิวที่ยังดิบอยู่ที่ยังไม่ผ่านการลวกลงไปในน้ำแกงที่ขณะเดือดนะฮะขณะที่มันเดือดเดือดหรือมีเรา ปรุงรสชาติแล้วเนี่ยความเปรี้ยวความหวานความเค็มนั้นอาจจะทำให้ไข่ปลาเรียวเกียวนั้นแตกออกจากกันทำให้น้ำแกงมีความข้นแล้วก็ไม่ได้ลักษณะเนื้อของไข่ปลาเรียวเกียวนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนกับเมนูที่ชื่อว่าแกงส้มไข่ปลาเรียวเกียวสวัสดีครับ